ทาสาัท่านพุทธสาสนิกชนทั้งหลายและมโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็ยัขอแนะนำท่านในเรื่องการฝึกอภิญญาหกสำหรับวิธีการฝึกอพิญญาหกก็ดีมิชาสามก็ดีทั้งหมดนี้ทำไว่จะเป็นเพียงหัวข้อเท่านั้น ไม่ใช่ว่าจะมาแนะนำกันทั้งข่ายการละเอียดละออจึงเกินไปตอนนี้พเพราะอะไรเพราะว่าเป็นของไม่ง่ายเกินนักและก็ไม่ยากเกินไปเพราะว่าจะถือว่ายากเกินไปคนอื่นก็ไม่สามารถจะทาได้ถ้าง่ายเกินไปก็ทาได้ทุกคนเป็นอันว่าวิชาสามนาาคนดีอภิญญาหกคนดี จะง่ายสำหรับคนที่มีวิริยาอุตสาหะจริงจังเท่านั้นสำหรับคนที่ขาดวิริยาอุตสาหะจริงจังจะไม่มีผลปรากฏเลยเมื่อได้กล่าวมาถึงเรื่องจากวิชาสามผ่านมาแล้วก็ขอแนะนำแต่เพียงข้อคร่าวๆในด้านของอภิญญาหกว่าการฝึกอภิญญาหกนี้ประกอบไปด้วย แล้วก็ทำอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างเช่นปฐวีกสินก็สามารถจะทำของอ่อนให้เป็นของแข็งได้เช่นน้ำอ่อนแล้วก็ทำให้เป็นน้ำแข็งได้อากาศอ่อนก็ทำให้เป็นอากาศแข็งได้หรือวัตถุสิ่งใดที่มันอ่อนเกินไปไม่สมควรกันที่เราจะใช้ก็ดิฐานให้ของสิ่งนั้นแข็งได้ นี่เป็นเรื่องของปฐวีกสินสำหรับอาโปกสินก็สามารถทําของแข็งให้เป็นของอ่อนได้ทําพื้นที่ไม่มีน้ําให้มีน้ําได้ถ้าฝนไม่ตกทําให้ฝนตกได้เนื้อที่ที่มีน้ําน้อยเกินไปทําให้มีน้ํามากก่อนได้เตโชกสิน สถานที่ใดมีความหนาวเกินไปเย็นเกินไปสร้างความอบอุ่นให้เกิดได้สถานที่ใดมีความมืดทาให้เกิดแสงสว่างได้และสถานที่ใดหรือว่าเราต้องการจะทำเป็นไฟเผาผลาญอะไรก็ได้หรือทำให้เป็นไฟลุกโชนเข้ามาดูเล่นกกโก้แล้วขู่ขวัญไข่ก็ได้จำเรัววายโยเกสินทำกายให้เบา สามารถจะเดินให้เร็วกว่าปกติก็ได้ลอยไปในอากาศก็ได้ที่เร็วกว่าหนี่ต่อมาก็สำหรับกสิซสีแดงกสิซสีแดงนี่ทำสีต่างๆที่ไม่ใช่สีแดงให้เป็นสีแดงได้กสิซสีเหลืองทำสีต่างๆให้เป็นสีเหลืองได้รือเป็นสีทองได้ อย่างแกนที่เขาเรียกว่าเศษดินเป็นทองเสษหินเป็นทองอย่างนี้เป็นตน้นในเรื่องสำแบกระสินสีเขียวสีเขียวกับสีดําหรือว่าสีมืดมันมีสภาพเดียวกันจะฐานที่ใดมีความสมาสวางมากเกินไปทําให้มืดได้จอทําทสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เป็นสีเขียวก็ได้สหรับกระสินสีขาว ก็เหมือนกันสามารถสร้างสีขาวให้เกิดในสถานที่ต่างๆได้ตามความประสงค์สำหรับโอทาเจ้าสิงเก้าสินแสงสว่างเก้าสินแสงสว่างนี่สามารถจะทำที่มืดให้สว่างได้ว่าสามารถจะเห็นของในหีบห่อในสิ่งที่เล่นรับ อย่างกับร่างกายของคนแทงเครื่องเอกซเรย์เราดูาร่างกายนี้มีโรคอะไรบ้างมีสภาวะเป็นอย่างไรอย่างนี้ก็ดูได้ของใต้แผ่นดินในหุบเขาเราก็สามารถจะเห็นได้พราะว่าในที่นั้นจะมีที่มงที่บังยังไงก็ตามแต่ว่าอาศัยกับเสียงแสงสว่างถ้าไม่เห็นได้คล้ายกับไม่มีอะไรปิดบงังสําหรับอากาศกระสินก็เช่นเดียวกัน อากาศกับสินนี่ก็มีสภาพเหมือนเดียวกับเส้นเดียวกันแล้วก็สามารถจะเห็นในสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆที่มีอยู่เป็นเครื่องมองือเครื่องบางเราก็ทําให้ว่างเหมือนกับอากาศได้หรือว่าอในที่ใดมีอากาศไม่พออย่างโลกประจันก็ดีโลกร่างกายก็ดีก็บอกว่าอากาศไม่พอสําหรับมนุษย์ที่จะพึ่งอยู่ได้ถ้าเราไปในที่นั้น เราก็อธิษฐานให้อากาศพรดีกับความต้องการของเราก็ได้ณร ว, วงความว่าท่านที่เจริญกสินท่างสิบรการนี้คล่องตัวก็สามารถจะทำได้ทุกสิ่งตามที่ตนประสงค์แต่ ว, ว่าการจะทำกระสินให้ครบถ้วนมันเป็นของไม่อยากความจริงการเจริญกสินนี่ เกสินทุกขอทุกตอนทุกคนทุกอย่างจะต้องได้ถึงฌานสีทั้งหมดเอือนับตั้งแต่เกสินดินมาเป็นต้นเรียกว่าทั้งสิบอย่างอือหนึ่งเกสินดินสองเกสินน้ำสามเกสินลมสี่เกสินไฟห้าเกสินสีแดงหกเกสินสีเหลืองเจ็ดเกสินสีเขียวแปดเกสินสีขาวเก้าแสงเกสินแสงสว่างสิบอากาศ ตั้งสิบอย่างนี้ต้องทําไม่ได้ชานสีทั้งหมดนี่ฟังอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่านักใจ <c oughs> ว่าถ้าเราจะทํากรรสินทั้งสิบอย่างให้ได้ชั้นชานสีทั้งหมดชีวิตนี้ทั้งชีวิตอาจจะไม่มีโอกาสก็ได้นี่เราพูดกันแบบคนที่ไม่เคยทํา เรื่พูดกันชนิดที่เรียกว่าคนประเภทเหยียบที่ไก่ไม่พอเธอไม่รู้จักเอาการเอาจริงเอาจังไ <c oughs> ด้คนดี่เขามีวิทยาอุตสาหะจริงๆเขาไม่ท้อถอ ย, ยในเรื่องของเกษินเื่อเกสินก็เกษินอย่าลืมว่ากสินทุกอย่างเราก็เรียกกันว่ากสิน อาการทุกอย่างที่จะปฏิบัติก็เหมือนกันแช่รมอย่างเดียวกันเหมือนกับเรามีกระป๋องน้ำเล็กๆอยู่สิบลูกเดิมทีเดียวเราไม่รู้จักกระป๋องน้ำเขาบอกว่าน้ำแล้วกระป๋องเล็กๆนี้ท่านต้องไปตักน้าให้เต็มเราก็ยิงเกิดความหนักใจว่าจะกระป๋องนี้รูปร่างมาันเปนยังไง ในการตักน้ำให้เต็มมันจะเต็มได้แบบไหนนี่ถ้าเรายังไม่เคยตักเรายังไม่เคยรู้จักกระป๋องเราก็หนักใจแต่ว่าเห็นสภาพของกระป๋องแล้วดัวลูกมันไม่โตนักเพรจ ะ, ะยกไหวสาหรับตัวกระป๋องจริงๆเบาไม่หนักถ้าตักน้ำให้เต็มมันก็ไม่นักมากนะักพรจ ะ, ะแบกขามเอามาได้ แต่ว่าถ้ากําลังกายของเรายังไม่ดีพอก็มันพยายามตักทีละน้อยๆครั้งแรกอย่าเพื่อให้เต็มกระป๋องตักก็มยกพอแค่พอกําลังแล้วก็เดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่บุคคลสั่งเข้าสั่งไว้เมื่อทําอย่างนี้จงคล่องตัวรู้สึกว่ากําลังดีขึ้นสามารถจะเดินได้สบายมีไม่มีความหนักนักก็เพิ่มน้ําให้มากขึ้นีนิดหนึ่ง ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปโดยไม่ละวิียะอุตสาหะหมั่นเพียรทำเป็นปกติในที่สุดน้ําเต็มกระป๋องเราก็หิ้มหิ้วไปหาจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ยากนักเมื่อหิ้วน้ําเต็มกระป๋องไปได้แล้วก็ต้องหัดหิ้วให้คล่องให้มีความรู้สึกว่าน้าในกระป๋องนั้นเป็นของไม่หนักสำหรับเรา คิดว่าจะตักน้ำาอะไรให้เต็มกระป๋องแล้วเดินไปหาจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่ไปได้ทันทีโดยไม่มีความหนักใจมีการคล่องในการใช้กระป๋องในเมื่อเราใช้กระป๋องลูกแรกได้ชั้นใดกระป๋องอีกเก้าลูกจงมีสภาพเท่ากันเหมือนกันมีจริยาอย่างเดียวกันเปลี่ยนกันนสีสันวันณะเท่านั้น ถ้เปลี่ยนหูหิว้วการใช้หูหิ้วต่างกันนิดหน่อยแล้วก็สามารถจะทำได้เช่นเดียวกันข้อนี้มีประมาณชั้นใดแม้กระสินทั้งสิบรายการก็ไม่กัดแต่หากว่าท่านนักปฏิบัติมีความเข้าใจและมีความชานาญในกรสินกองใดกองหนึ่งแล้วอีกเก้ากองเป็นของไม่มีความสำคัญ ถว่าทุกกองแต่ละกองอีกเก้ากองเราสามารถจะบังคับจิตคิมคุมกระสินกองนั้นๆให้เข้าถึงฌานสี่ได้อย่างช้าภายในเจ็ดวันทุกกองฟังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไม่หนักนี่แต่นี่มาเรามาว่ากันถึงฌานของกสินสัก่อนฌานของกสินและฌานของอะไรก็ฌานอย่างเดียวกันก็คือมีอารมณ์อย่างเดียวกัน ถ้าเราเคยฝึกกระสินกองใดกองหนึ่งในวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในวิชาสามมาแล้วจึงกระทั่งสามารถใช้วิชาสามได้คล่องแคล่วตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั่นเป็นอนุว่าอารมณ์ของเราเข้าสามารถใช้กระสินเป็นฌานสีได้โดยฉับพลันเป็นของไม่ยากตายเศ้ามาตามลำดับอันนี้เป็นของไม่ยาก นี่สมมติว่าเราไม่ต้องการวิชาสามเราต้องการอย่างเดียวคืออริย ญ, ญาณหกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอริย ญ, ญาณหกในเตโชกะสิงกด็ดีโอทาเตกะสิงก็ดีอะโลกะสิงกด็ดีทั้งสามอย่างนี้ถ้าทําถึงแล้วก็มีทิพยิจุกุญญาแจ่มใสและมีการคล่องตัวดีกว่า ทิพยจุฬาจารธรรมดาก็มีความเข้มข้นกว่าที่จะไม่กล่าวถึงตอนนี้ก็เกรงว่าท่านจะสงสัยว่าทําไมกายพิญญาหกนี้จึงไม่มีจึงไม่สามารถจะได้ทิพย์จุฬาได้วความจริงนอกจากทิพย์จุฬาและทิพย์ปัสติยานคือมีหูเป็นทิพย์ก็ได้ด้วย แล้วแถมแสดงนิสต่างๆก็ได้ดวยนอกจากนั้นก็ได้เหมือนกับวิชาสามทุกอย่างเป็นอันว่าความสามารถใดๆในวิชาสามเราธรรมิญญาหกได้เราได้ดีกว่านั้นได้ทั้งหมดและก็ได้มากกว่านั้นได้ดีกว่านั้นการไปเที่ยวสวรรค์การไปเที่ยวนรกไปเที่ยวพรหมโลกไปพื้นที่ต่างๆ ไม่ต้องถอดแต่อภิสมานในกายไปก็ได้ไปทั้งกายเลยก็ได้แต่ถอดแต่อภิสมานในกายที่ไวจิตคือกายในไปก็ได้อันนี้มันเป็นเรื่องตามเรื่องของเราตามที่เราจะต้องการนี่มาพูดกันถึงเรื่องกัะสินกสินนี่ความจริงฝึกก็ไม่อยากนะักก็เป็นกรรมฐานหยาบมีภาพสำหรับดู พูดเรื่องเดียวก็พอเฉพาะปฐวีกสินกระสินดินดินที่เราจะมาเพ่งดูแล้วก็ใช้ดินสีอรณุณือมีสีแดงแต่ความจริงเราจะชอบกระสินกองใดกองหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องขึ้นปฐวีกระสินก่อนกสินกองไหนที่เราชอบใจเราเราชอบใจมากทากองนั้นก่อน ก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นตามลําดับทําให้ขึ้นถึงชั้นสี่ตัวอย่างพระลูกชายช่างทองในสมัยองค์สมเด็จตถาสมมาสมุภัสเธเจ้านี่จะพูดแบบอื่นก็จะหาว่าเอาเรื่องของอาจารย์องค์นั้นมาพูดเอาเรื่องของอาจารย์องค์นี้มาพูดแต่ความจริงเรื่องราวของอาจารย์ต่างๆท่านมีถมไปปัจจุบันก็มีคนที่ได้ปัญญาหก นี่ทีู่ดอย่างนี้แล้วก็อย่าไปหาว่าธรรมาได้พิญญาหกเสเองแหละธรรมาบอกแล้วว่าท่านที่ได้พิญญาหกปัจจุบันก็มีนี่จะย้อนกลับมาถามว่าคนที่จะรู้ว่าคนอื่นได้พิญญาหกก็แสดงว่าบอกคนนั้นได้พิญญาหกถ้าการอย่างนี้มันเป็นเรื่องของใช้จิตดูจิต แต่ที่เราไม่รู้ด้วยอาการอย่างนี้ก็ดีรู้ด้วยจากอาการของท่านที่แสดงออกซึ่งเราจะพอเข้าใจกันได้ว่าลักษณะของคธนธรรมดาไฟาสุขวิปัสสโกก็ดีมนุษย์ธรรมดาก็ดีไม่สามารถจะทําอย่างนี้ได้แต่ท่านผู้นั้นรู้อย่างนั้นได้เป็นวิสัยคุวิชาสามอันนี้เราพอสะกิดได้การกระทําบางอย่าง ซึ่งวิชาสามทำไม่ได้แต่ว่าท่านทั้งหลายทำเกินไปกว่านั้นไปก็แสดงว่าท่านได้ปัญญาหกอย่างนี้สมัยนี้มีอยู่แต่ว่าท่านอยากจะรู้ว่าใครเป็นพูนได้ก็ไปถามผู้นั้นท่านเองนักมาไม่สามารถจะบอกท่านได้ว่าใครเป็นพูนได้แต่ว่าทราบว่ามีตัวตนก็ยังมีไม่ต้องเอาคนตายมาพูด แต่ไปไล่เบี้กับท่านท่านไม่ยอมรับจะว่ายังไงลีลานี่คนเขาจะหลายเขาจับกันมาได้หลายท่านแล้วคนที่ทรงอภิน ญ, ญาไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระเสมอไปจะเป็นเอ็นก็ได้เป็นเถงก็ได้เป็นชีก็ได้เป็นครวัตมีผมยาวๆนุ่งกางเกงกินข้าเย็นมีลูกมีเมีย โยบารศีกาที่มีผัวมีลูกเขาก็ทำกันได้เพราะเป็นชานโลกีทำไมเขาจึงได้ก็เพราะว่าเขาเป็นคนจริงเขามีอติบายครบคือชันทะความพอใจในกิจที่เขาจะพึงทำนั้นเขาไม่ละความพอใจไม่มีการท้อถอยวิริยะมีความบักบันมันเพียน ไม่ย่อท้อตัประสักจิตตะตั้งใจไว้เสมอว่าเราต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จมีมังสาใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงว่า ก, การทำอย่างนี้มันถูกหรือมันผิดแล้วผลที่เกิดมาประเภทนี้เพราะอาศัยเราใช้อารมณ์อะไรเขาจะไม่ลืมอารมณ์นั้นจะไม่ลืมจริยานั้น รวมความว่าคนมีทธิบาททั้งสี่เลการคือชั้นทะความพอใจวิทยะความเพียรจิตตะจดจอ่อจิตใจจดจ่อในสิ่งนั้นมีมังสายใช้ปัญญาเป็นเครื่องประกอบตลอดเวลาคนแบบนี้ทำอะไรก็สำเร็จจะว่าแต่ปัญญาหกที่เป็นฌานโลกี เร ว, วิชาเรื่องสองในวิชาสามที่ไม่นฌานโลกีห้านามิอวิญญาหกที่เป็ฌานโลกีที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายถือว่าเป็นของเด็กเล่นถ้าจะเทียบกับนักเรียนนักศึียสายเข ก, ก็ถือว่าขั้นประถมปีที่หนึ่งเท่านั้นยังมีความรู้ยังมีความสามารถไม่มาก ของขีปติ๋วเท่านี้ทำไมล่ะคนที่มีที่บาทศีจะทำไม่ได้เพราะท่านได้มีที่บาทศีอยากจะเป็นมโสดาบันเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระศิธาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระนาคามีเมื่อไรก็เป็นได้อยากจะเป็นพระราหันเมื่อไรก็เป็นได้แต่ไปถามท่านว่ายากไหมท่านก็บอกว่าไม่ยาก เธอของที่เห็นรักถ้ามีอารมณ์ใจรักก็ฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหมดการการทุกระ ท, ทั่งประจนกับอุปสรรคถือว่าเป็นผลที่จะพึงได้งานใดไม่มีอุปสรรคงานนั่นถือว่าไม่เป็นงานนี่ฟังไปแล้วก็คิดไปด้วยนี่เรก็มันนั่งเริ่มต้นเอากสินอะไรดีเอาแต่เอ า, เอาโลหิตกระสินเถอะเพราะว่า ไปเอาของคนนั้นมาพูดเอาของคนนี้มาพูดเราเอาของพระพุทธเจ้ามาพูดกันพระลูกชายในช่างทองนี่บวชกับพระสารีบวมาซิ้นเวลาสามเดือนพระสารีบตรเห็นว่าเธอเป็นคนหนุ่มเป็นคนสวยแล้วก็เป็นคนรวยคิดว่าจะยุ่งเรื่องเพศตรงกันข้ามมากอารมณ์เยาะยองในเรื่องนั้น ท่านจึงให้เอาสุปรกรรมมาถากับกายกตานุสติเป็นอันว่าสามเดือนไม่มีผลสำหรับพระองค์นั้นต่อมาเมื่อออกภาษาแล้วภาษานิบุตรภาษานิบุตรพาไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบาทีแก้วเมื่อพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วว่าพระองค์นี้เป็นคนมีโทสะจริตเป็นตัวนำ ต้องให้กรสินสีอย่างคือกรสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งจึงจะเหมาะกับจริตของเธอจากนั้นเบพุตรเจ้าจึงให้กรสินสีแดงที่เรียกกันว่าโลหิตกะสินไอโลหิตะก็ะแปลว่าสีแดงเอาดอกอดีฐานดอกบัวทองคาเป็นสีแดงหมอบกับเจตค แล้วบอกให้เธอไปที่กองทรายหน้าวิหารเอาก้านบัวปักลงไปบนกองทรายทํทรายเป็นกองมุนขึ้นแล้วก็ปักก้านลงไปสั่งให้ลืมตาดูดอกบัวจำสีแดงไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพสีแดงถ้าภาพนมันเลือนไปจากใจลืมตาดูใหม่ดูจำได้แล้วก็หลับตานี่วิธีนี้เป็นวิธีที่ ตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านได้ดีเธอก็ปฏิบัติตามนั้นขณะที่หลับตากันนึกว่าสีแดงสีแดงสีแดงทําไปลืมตาบ้างหลับตาบ้างว่ากันอยู่ครู่หนึ่งพอเดี๋ยวจิตก็จับสภาพสีแดงได้เป็นปกติจิตก็หมดอารมณ์ใสเมื่อจิตมีอาการทรงตัวอารมณ์สมาธิดีขึ้น สีแดงก็ก็กลายเป็นสีเหลืองทีละน้อยดังน้อยที่แท้ก็เหลืองมากเหลืองปนแดงต่อไปแดงหายไปเหลือแต่เหลืองต่อไปเหลืองก็คลายตัวเป็นขาวเป็นนวลขึ้นมาในที่สุดก็เป็นสีขาวปกติทั้งหมดแั้หลังจากนั้นจากขาวแล้วก็เป็นแปะกลายพึกแพรว์คลาวคล้ายๆกับกระจกเงาที่ทองโองแสงอาทิตย์จะท่อนแสงอาทิตย์ จิตก็ทรงอารมณ์แนบนิ่งสนิทมีจิตเป็นเอ ก, กตารมเก่าเมฆขารมตอนนี้ไม่รู้สึกว่าลมให้ใจปรากฏแต่จิตทรงอยู่แบบสบายภาากสินที่เป็นแปลกายปรากฏเฉพาะนาอย่างนี้เรียกว่าชันสีเธอหลับตามันดูแล้วก็ลืมลืมตามันดูแล้วก็หลับตาลงไปสภาพของแพร่พราวกรสินนั้นก็ยังปรากฏอยู่ ตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมโครพิจารณาดูว่าโอโน๋นอเวลานี้เธอเข้าถึงชาตที่สีแ่แล้วและองค์สมเด็จพระบดีเทพแก้วก็เลยช่วยเธอให้เป็นพระหัานตอนนี้เราไม่พูดกันเรื่องชาติสี่ของเกษินเป็นอนุว่าจะเป็นเกสินอะไรก็ตามถ้าเรานั่งเพ่งภาพเพ่งนอย่าลือมจะไปลืมตาแป๊วเพ่ง อย่างนี้คนมาบอกว่าไม่เพ่งภาพพระฉันต้องแสบตาอย่างนี้มันเลยครูแล้วครูไม่ได้สอนแบบนั้นครูสอนได้เพียงบอกว่าลืมตาดูภาพให้จําได้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพนึกถึงให้จําภาพของภาพนั้นไว้ได้ใ น, ใ, นใจไม่ในใจให้ได้ให้ทรงตัวถ้าเรามันเรีอนไปก็ลืมตาดูใหม่ลืมตาแล้วก็หลับตานึกถึงภาพนั้น เมื่อภาพนั้นยังเป็นภาพนั้นเป็นปกติทรงโตัวอยู่ท่านเรียกว่าอุกหะนิมิตแปลว่าเป็นอุกหะนิมิตยังต่ำๆ ต, ต่อมาภาพนั้นก็แยกกระายมาเป็นสีขาวจาดขีดเด่นน้อยและน้อยละน้อยและน้อ ย, อยจึงทั้งแผ่วๆเป็นประกายพลิกมีอารมณ์สงัดหูจะยินเสียงภายนอกชัดแต่ไม่รําคาญในเสียง อารมณ์ยังภาวนาอยู่เช่นปฐวีเกสิงก็ภาวนาว่าปฐวีเกสินังแล้วก็เช่นนาอโปเกสิงก็จิตใจก็คิดว่าอาโปเกสินังเรียวโยเกสิงก็คิดในใจว่าวาโยเกสินังเตโชเกสิงก็คิดในใจว่าเตโชเกสินังโลหิตเกสิงก็คิดในใจว่าโลหิตเกษินัง ปีตตกากสิกระสินสีเหลืองก็คิดในใจว่าปีตตกากะสินนังกระสินสีเขียวก็นึกในใจว่านีละกะสินังกะสินสีขาวก็นึกในใจว่าโอทายกะสินังแต่กระสินสสมสว่างก็นึกในใจว่าอาโลกะสินังถ้าก็ะเพิ่งพิจารณาอากาศกะพีพิอนึกในใจว่าอากาศกสินนังเป ies, aja, <im> ็นต้น นี่นึกถึงภาพนั้นด้วยแล้วก็ น, นึกถึงคำภาวนาเรียกชื่อนั้นไว้ในใจด้วยช่วยอาการทรงจิตให้มันทรงตัวอรบรนดาท่านพุทธบริษัทั้งหลายโดยทุนนาและบรรดาท่านเพโยคาวาจรทั้งหลายเรื่องกสินถ้าจะว่ากันไปเวลาที่จะแนะนำกันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอความสุขสวัสดีพัฒนมงคลสมบูรณ์ภูนผ ล, ลจงมีดบรรดาดั่นพุทธศาสนิกนชนผู้เป็นสาวกองค์สมเด็จพระจินนว ร, ร ส, สัมสสมาสัมพุทธเจา้าทาใดที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรรลุแล้วขอทุกท่านจะบรรลุทานั้นโดยฉับพลันเถิดสวัสดี